ว, วันนี้เป็นวันพระเดือนสามดับเมื่อข่าวที่แล้วก่อนขณะนี้คืเดือนสามเพ็นแต่วันนี้เป็นเดือนสามดับตรงกับวันที่หมีนาห้าหนึ่งเป็นวันพระเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านจะถึงยังไงก็ตามก็ให้พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเอาไว้เพราะว่า ถ้าบอพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในธรรมะคุณงามความดีแล้วมีแต่หาสนใจเรื่องโลกก็คือเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องสุขภายนอกอันนั้นแปลว่ามันเรื่องนอกเกินไปเรื่องลาบก็คือหาปลาใส่ปากใส่ท้องเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกสัตว์สาราสิงห์ทั้งหลาย เหมือนกับวัวควายช้างมา้าหมูหมาเป็ดไก่ออกหาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องอย่างนั้นอ่ะอันนี้ว่าหาลาบแต่มนุษย์ของเราถ้าจะพูดอย่างงั้นว่ามันหยาบเกินไปหามาดูถูกเหยียดยามกันแต่ตามให้จริงกับเพื่อหาใส่ปากใส่ท้องเพื่อเลี้ยงธาตุขันนั่นแหะถึงเราจะหาเงินหาคำทรัพย์สมบัติทําไร่ทํานาท ำ, ท, ำนทำรั้วทำสวนทํำราชการงานเมืองก็เพื่อหาหาเงินเลี้ยงชีพของเรา ให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้แปลว่าหาราบแต่ยังไม่เพียงพอเราไม่ได้คิดอย่างอื่นอีกยังไม่เพียงพอเพียงแต่หามาเลี้ยงาธาตุขันตนเองเลี้ยงเท่าไหร่เหมือนกับเราโ ย, ยนของลงน้ำมาหาสมุทรทะเลอย่างนั้นเอามาใส่ปากเท่าไหร่มกระกไลออกใส่ปากเท่าไรก็ไหลออกมีแต่ว่าร่างกายของเราอยู่เป็นวันๆไปถ้าไม่ใส่เข้าไปก็ไม่ได้เหมือนกับรถ ไม่มีเชื้อเพลิงอย่างนั้นแ่ะไม่มีน้ํามันรถอย่างนั้นะ่ะก็ต้องเติมน้ํามันเข้าไปเพื่อให้รถวิ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันถึงจะเติมเข้าไปขนาดไหนร่างกายของเราก่อนมันมีแต่สุดโสมลงไปเรื่อยๆตัวสุดโสมเนี่ยนะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยมีแต่ว่ามันวิ่งได้มันไปได้เท่านั้นเองเราก็เป็นที่พอใจแต่ว่ามันสุดโสมไปเนี่ยจุดนั้นเน่ะเราไม่ได้คิดเรามองไม่เห็นเพราะพระเจ้าท่านมองเห็นเท่เนี้น รถคันนี้ถึงจะใส่น้ำมันเติมน้ำมันดูแลธนุถนอมขนาดไหนมันก็สุดโสมนะมันจะสุดโฉมไปเรื่อยๆนะให้ระวังนะให้ดูนะพระพุทธเจ้าท่านเตือนแต่จุดนี้เราไม่ได้คิดมืนอนกนแมีแต่เรามีแต่หาลาบมาใส่เลยก็หา ย, ยดจะเลยยศถาบรรดาศักคู่คนจังายพระสงฆ์เป็นพ่อคูเป็น เจ้าคณะอำเภอตำบลเจ้าอาวาสเนี่ยอย่างหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยจากนั้นก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณจนถึงสมเด็จสูงสุดเหมือนันอะอันนี้คือยศทางญาติโยมก็เหมือนกันเป็นตำรวจเป็นทหารพิพากษาอายการครูบาอาจารย์มีแต่ยศน่อันนี้คือหายศใส่ตัวเองราบยศสรรเสริญเมื่อเราทำดีคนทั้งหลายก็ยกย่องลืมตัวเองเถอะ ว่าหลวงพ่ออินดียังงุนดีอย่าง น, น, างนี้บางสิ่งไม่มีดีอย่างที่เขาบอกอีกต่างหากักตัวเองก็ลืมตัวอีกไปในตอนนั้นก็สุขเลยสุข ก, ก็กินข้าวได้นอนหลับมีคนยกย่องไปที่ไหนสะดวกสบายอันนี้ก็มีสุขในใจแต่ตามไม่จริงมันทุกข์เราไม่ได้มองเห็นศูนย์ที่มันทุกข์คืออะไรทานไปแล้วกับ ปวดยาวปวดถ่ายปวดเบาเออเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะต้องตามมาจุดนั้นเราไม่ได้คิดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้คิดทีนี่ท่านให้คิดอีกมุมหนึ่งว่ากันถะพวกเราคิดแต่มุมหนึ่งแกนะ่เนอะเจ็บนะตายนะพระพุทธเจ้าท่านให้มองอีกมุมหนึ่งแต่พวกเรามีแต่ว่าหาราบหาเงินคําทรัพย์สมบัติเข้ามาแล้วก่อ กินอิม่มเป็นวันวันสนุกสนานเอเล่นไปยศหามาใส่ตัวเองให้คนยกย่องเฉิดชูบูชายศถามบรรดาศักดิ์สรรเสริญคนทั้งหลายก็ยกย่องเพราะอกพอาะใจสุขก็พราะความพอใจในการเป็นอยู่ของตนเองเนี่ยอันนี้พวกเราส ะ, สะแสวงหาได้เพียงเท่านี้เนี่ย ขอพูดใ้เจ้าพระรหัสสา ว, วกท่านดูให้ดีนะร่างกายของเราถึงจะตนุถนอมเลี้ยงอิมีพีมันขนาดไหนแต่ร่างกายของเรายังแก่นะจะต้องแก่ไหลไปเรื่อยๆเ อ, อแต่มองไม่เห็นนะความแก่เนี่มองไม่เห็นนะแต่ทั้งมันแก่แล้วยังมองเห็นได้แต่ก่อนถ้าเรารู้ถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราจะมองไม่เห็นตัวเรา ถ้าเราเปรียบเทียบเราจะมองเห็นตัวของเราเปรียบเทียบยังไงสมัยก่อนนะเราเป็นเด็กใช่ไหมเราเป็นเด็กใช่ต่อมาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมใช่ต่อมาเราเป็นพ่อเป็นแม่ของคนใช่ไหมใช่ต่อมาเราเป็นย่าเป็นยายของคนใช่ไหมใช่ต่อมาเราเป็นทวดของคนใช่ไมใช่แต่บางคนไม่ถึงกับเป็นทวดใช่ไหมตายก่อนใช่ไหมใช่ ถ้าเราเปรียบเทียบคุณดูคนแก่แล้วเป็นยังไงเออผมงอกใช่ไหมใช่ตาฟ้าฟางใช่ไหมใช่หูหนวกใช่ไหมใช่หนังเหี่ยวหนังยน่นใช่ไหมใช่ฟันหลุดใช่ไหมใช่มาโดยมากจะเป็นลักษณะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเราคิดดูให้ดีถ้าเราไม่คิดก็ยังว่านะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออ ม, มีแต่คิดว่าไม่รู้จะทํำยังไงแต่พระพุทธเจ้าทำว่ามีทางออก มีทางออกสําหรับให้คิดให้พิจารณาว่าร่างกายสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งต้องมีจุดจบในเมื่อมีจุดจบนะเราจะทํำยังไงก่อนที่จะถึงวันจุดจบจุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจากนั้นก็ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพอได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลประสบความสําเร็จแล้วท่านก็มองเห็นว่าเอ๊พวกสรรพสัตว์ทั้งหลาย เราควรเขียนแผนที่ให้พวกนี้เดินตามเราท่านก็เลยเขียนเป็นแผนที่นะบกพระธรรมคำสั่งสอนทำเป็นแผนที่ขึ้นมาอยู่ในตำรับตำราทำอย่างนี้นะพวกท่านทั้งหลายทำอย่างนี้นะจึงจะไปสู่แดนกเกษมไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเขียนเป็นแบบแปลนแผนผังให้พวกเรา แต่พวกเราบางครัง้งโอ้ไม่เชื่อมันก็มีถึงเยอะแยะไปพวกพวกที่เชื่อก็เดินตามพวกที่เชื่อพวกไม่เชื่อก็กมีเชื่อบางไม่เชื่อบ้างก็มีเชื่อยังงวดทิ่มสุดๆก็มีบางทีพอเดินทางเออใชา่ที่แผนที่เขียนว่าจากนี้ไปถึงบ้านนาคางังพอถึงนาคังแล้ว ทางซ้ายมือจะมีโรงพยาบาลนะเออใช่พอถึงนาคังไปเลยจากนาคังไปทางขวามือเป็นโรงเรียนนะปั้นชุมพลเออใช่อันนี้ก็คือผู้เดินเดินตามแผนที่ในเมื่อตาเดินตามแผนนี่คือถ้าให้ทานแล้วจิตใจของท่านจะเบิกบานนะจะมีความสุขนะถ้าท่านถ้าเป็นคนขี้ตนีถทีเหนียวนะไปอยู่ในสถานที่ใดเขาเกียรติเขาชังท่านนะ ถ้าว่าท่านไปอยู่ในสถานที่ใดจิตใจพอที่จะแบ่งปันเฉลือเผือแผลแล้วท่านต้องมีน้ำใจนะคนเราเกิดมาต้องมีการเฉลือเผื่อแผลนะมีน้ำใจนะมีการให้ทานนะพอเราทําไปเออจิตใจมีความสุขจริงถ้าท่านรักษาศีล น, นะศีลจะคุ้มครองท่านนะท่านจะไปนสถานที่ใดท่านจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าท่านไม่มีศีลไปที่ไหนคนมีแต่ละแวงแคลงใจนะเออจากนี้ย อันนี้สงสินคุ้มครองท่านนะทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตนะทั้งอดีตที่ผ่านมาท่านรักษาศีลแล้วในชาตินี้ท่านจึงมีความสุขในชาตินี้ท่านต้องรักษาศีลให้ดีนะจากนั้นกน็เขียนแผนที่ท่านต้องภาวนานะทําจิตให้สงบอย่างนี้อย่างนี้นะต้องพิจารณาอย่างนี้นะจึงจะมีความสุขเราก็ปฏิบัติ ต, ตามตามแปนแผนที่ที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนํา เราก็ได้รับความสุขเหมือนกับเราเดินตามเหมือนกันน่ะเราเดินตามไปเห็นจุดนั้นจุดนี้โอ้ใช่ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงจริงจงปฏิบัติตามแล้วรู้แจ้งเห็นจริงและเห็นจริงตามทำคําสั่งสอนที่ท่านแนะนําจริงๆแผนที่ที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออ่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เดินตามในเมื่อไม่เดินตามแล้วพระพุทธเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้ทิ้งไม่ก่อน ให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าภาษีอริยะเมตไตรมาตัดไม้ค่อยสอนอีกพวกนี้ยังมืดหนาอยู่ยังมืดหนาป่าเถือนอยู่ยังไม่เชื่อบรารมีของเขายังอ่อนอยู่นี่แหละท่านเหมือนกับม้อยู่ในป่าที่วัดป่านาคำน้อยของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันมีแต่ ต, ต้นใหญ่บางทีก็ต้นใหญ่จริงอยู่แต่คุณภาพไม่มีแต่พอพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วเออไม้อยู่ในป่า จะเอาต้นไหนมาทำประโยชน์ต้นไหนมันพร้อมที่จะทำประโยชน์ได้อันนี้ก็เหมือนกันท่านมองเข้าไปในแดนของมนุษย์มีหลายระดับท่านก็มองเออมนุษย์คนนี้มีอุปนิสัยจิตใจของเขาแก่งกล้าพร้อมที่จะได้สำเร็จมรรคผลท่านก็ไปเทศแสดงทําใไมฟังก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแต่นี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีเีนี้มีแต่พวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราได้ยินทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไตรตอมน้อมจิตไปตามที่ได้ได้ยินจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนตามแผนที่พระพุทธเจ้าพวกเราก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆผลในสุดก็เนี่ยเชื่อในแผนที่ในเชื่อในพิน้งกบปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันเถไงผลใ น, นสุดก็ได้เดินมัก สู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายเห็นอานิจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายสังขารเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในปัจจุบันอนาคตเกิดมาเท่าไร่ตายเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นที่จะอยู่ช่วฟ้าดินสลายอคนพเท่าผู้แก่อย่างที่พวกเราเห็นเห็นไหมตายให้พวกเราได้เห็นอยู่อีกสักวันหนึ่งเราก็แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเอเราก็จะต้องตายให้คนอื่นลูกให้ลูกให้ล้าน เขาเห็นหามไปสู่ปลายช้าแม่แน่นอนอหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินไม่คิดว่าจะอยู่ช่วงฟ้าดินสลายนะปวดก อ, อกก อ, อกที่ไหนอีกสักวันหนึ่งเหมือนกันนะ่ะถ้าพวกลูกหลานตายทีหลังก็ต้องได้มาเผาหลวงพ่อเัมืนกัถ้าลูกหลานตายก่อนเนื้อยากโจรตายก่อนหลวงพ่อก็ไปเผาฮนี่แหละมันเผากันอยู่เนะี่ยไม่ไม่ฝังก็เผาไม่ฟอกกะฝังอยู่เนยะในโลกเนะี่ยไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาท ให้พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราจิตของเราใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมันนั่นแหละมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นทีนี้ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านชีน้แนะชี้นำที่ท่านเทศนาว่าการให้พวกเราปฏิบัติตามเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เป็นวันพระเป็นวันสาคัญก็ให้รักษาศีล อยางน้อยก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ไหมวันนี้ถ้าเป็นไปได้รักษาศีลแปดนะทังฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันอพระสงฆ์ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็เป็นผู้ชี้เนี่ยชี้นาเป็นผู้บอกเท่านั้นนะอว่าทําอย่างนี้เนอะทาอย่างนี้เนอะถามาแล้วก็ไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความโง่เง่าเตาตุนมาอยู่กับหลวงพ่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดเอ เหมือนกับม้าสามสีห้าหกเจ็ดตัวมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อจะทํายังไงได้หลวงพ่อก็เป็นผู้นําเป็นผู้พานนาเป็นผู้แนะนําเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นเองส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลวงพ่อสุดวิสัยเหมือนกันที่จะทําได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาอยู่กับหลวงพ่อที่เป็นฝ่ายพระก็ดีคณะสัตธาญาติโจมก็ดีหลวงพ่อเป็นแต่ผู้บอกชี้แนะชี้นำหนทางเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมีแต่ชีห้หนทางทำอย่างนี้มันผิดนะทำอย่างนี้มันถูกนะให้พิจารณาตามที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวนะพวกเราจะประสบความสงบพร้มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราปฏิบัติได้อย่างนี้หลวงพ่อมีแต่บอกแนะนาอย่างนั้นตอนน่อนี้งไปรับพรอนุโมทนาให้พร